ตอนชีวประวัติของท่านวินกุกเทระท่านหานซานตาสือสิทธิของท่านวินกุเทระเขียนประวัติเมื่อท่านอาจารย์ได้จากไปแล้วผู้ด้อยปัญญาขอกราบคารวะท่านหานซานตาสื่อและท่านวินกุเทระกราบขออนุญาตท่านจารึกประวัติของท่านวินกุกเทระผู้พิกชีวิตท่านเหลียวฝานดังต่อไปนี้ท่านวินกุเทระ เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2043ในราชวงศ์หมิงท่านเกิดก่อนท่านเหลียวฝาน49ปีท่านคิดบวชตั้งแต่ยังเป็นเด็กสมัครเป็นศิษย์กับอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดต้าหวินชื่ออายุ19ปีเริ่มฝึกฌานอายุ25ปีบวชเป็นพิสุได้พบอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษณวัดเทียนหนิงจึงฝากตัวเป็นศิษย์ ท่านได้ตัดขาดจากกิจนิมนต์ทั้งหมดนั่งเข้าที่อยู่เป็นระยะระยะจาก7วันเป็น14วันครั้งจนถึง49วันแล้วกําหนดใหม่จากหนึ่งเดือนครั้งเป็นสองเดือนครั้งจนถึง1ปีเต็มไม่เคยก้าวล่วงธรณีกุติของท่านไปเลยจิตท่านใสใจสว่างแต่ท่านอาจารย์อธิบายว่าการฝึกจิตเช่นนี้ ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วสอนให้ท่านฝึกมหาสติปัฏฐานสี่ติดตามการเกิดดับของจิตให้ได้ทุกขณะไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทใจจงตั้งกายานุปัสนาสติปัฏฐา น, นะที่นั้นเมื่อรู้สึกอย่างไรจงตั้งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐา น, นะความรู้สึกนั้นเมื่ออยู่ในสภาพจิตอย่างไร จงตั้งจิ ต, ตานุปัสสนาสติปัฏฐานณขณะนั้นเผชิญสภาวะธรรมใดจงตั้งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานณสภาวะนั้นฝึกให้สติและสัมปชัญญะคอยกำกับบทบาททุกขณะของปัจจุบันให้รู้เท่าทันให้รู้ทันท่วงทีให้รู้อย่างไม่ยินดียินร้ายให้รู้อย่างหมอที่กำลังตรวจคนไข้ ให้รู้อย่างผู้พิพากษากำลังวิจัยคดีว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังรู้สึกอย่างไรอยู่กำลังมีสภาพจิตเป็นเช่นไรกำลังเผชิญกับสภาวะทำอะไรมองให้เห็นกระแสะแห่งกิเลสอุปาทานขันห้าที่กำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่า จงรู้สึกตัวอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าชีวิตล่วงไปล่วงไปจงเพียรพยายามศึกษาปฏิบัติธรรมอย่าได้ท้อถอยแม้แต่ขณะจิตเดียวจงสำรวจตรวจดูสติสัมปชัญญะว่าได้เจริญงอกงามมีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การปฏิบัติธรรมหรือยังจนกว่าความรู้ความเข้าใจจะถึงจุดอิ่นตัวก็จะหลุดพ้นจากอิทธิพลของ กิเลสตันหาอุปาทานและขันห้าเสียได้โดยสิ้นเชิงมีแต่ความเบิกบานใจผ่องใสท่ามกลางภาวะแวดล้อมด้วยมีสติปัญญาพร้อมที่จะหลุดพ้นจากปัญหาคือความทุกข์ทั้งมวลได้แน่นอนนั่นเองท่านวินกุเทระจึงเริ่มฝึกมาหาสติปัฏฐานสี่อย่างจริงจังทันทีบางครั้งไม่ฉันไม่จำวัด ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ท่านอิ่มจากการฉันอาหารท่านเผลอตัวเพียงขณะจิตเดียวชามข้าวกะตกลงบนพื้นท่านใดนั้นท่านก็เข้าถึงความหมายของสติและสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ท่านรีบไปกราบเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังท่านอาจารย์พงกศีรษะรับรองวาจาจิตของลูกศิษย์ว่า ได้เข้าถึงสภาวะธรรมแล้วจริงตั้งแต่นั้นมาจิตของท่านวินกุเทระได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นเป็นลำดับจนหลุดพ้นจากการมชันทะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและการกระทบทางใจหลุดพ้นจากความพยาบาทอันเป็นความคิดให้ร้ายคนอื่นหรือสัตว์เสียได้ หลุดพ้นจากถีนมิทธะอันทําให้จิตมืดมัวกายง่วงโงกเสียได้หลุดพ้นจากอุทธัจักุกกุ จ, จักอันยังความตื่นเต้นฟุ้งซ่านวัดวันรําคาญใจเสียได้หลุดพ้นจากวิจิกิจฉาอันยังความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียได้การล่วงพ้นนิวรณ์ทั้งห้านี้ เป็นปัจจัยให้ท่านเข้าถึงความหมายของอุปทานขันห้าเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปละนามเห็นความไม่คงทนต้องสุดโสมแปรปรนไปตามเหตุปัจจัยของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่คือกระแสจิตที่รู้บทบาทของรูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ท่านละสังโยชน์อันเป็นเครื่องจองจำชีวิตให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารคอยเชื่อมโยงอยัยตนะภายนอกและภายในทั้งหกทวารที่ก่อให้เกิดความประมาทติดใจไหลหลงในรูปธรรมนามธรรมเสียได้เมื่อท่านวินกุเทรามีสติและสัมปชัญญะตั้งอยู่เฉพาะหน้าเจนีแล้วกิเลตันหาอุปาทานอันเป็นความเห็นผิด ย่อมอาศัยนอนเนื่องอยู่ในจิตของท่านไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือองค์ธรรมอันยิ่งใหญ่คือโพชงเจตอันเป็นกลุ่มธรรมสามัคคีที่เกิดขึ้นด้วยกันอิงอาศัยให้คุณต่อกันและกันนำไปสู่องค์ปัญญาแห่งการตัดสรุ้กลุ่มธรรมอันประเสริฐยิ่งนี้เองที่ทาให้ท่านวินกุเทระเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ ทุกแง่ทุกมุมอย่างหมดจดข้ามพ้นความโศกและความร่ำไรดับได้ซึ่งความทุกข์และโทมนัสมีแต่ความกระปรีกับเปรา่าชื่นบานสงบสบายทั้งกายและใจอยู่อย่างเป็นกลางในทุกสิ่งแม้จะมีใครขอให้ท่านขนสัตว์ให้หมดโลกเสียก่อนก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะเมื่อจิตได้หลุดพ้นจากกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเสร็จแล้ว ย่อมไม่มีทางที่จะห่วงหน้ากังวลหลังได้อีกพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่สอนให้ชาวพุทธตัดช่องน้อยแต่พอตัวดังที่หลายท่านเข้าใจอยู่มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านวินกุเทระกําลังนั่งเข้าที่จนกายไม่ไหวตึงอยู่นั้นได้มีผู้ทรงอิทธิพลมาเที่ยววัดเห็นท่านนั่งเฉยไม่ลุกขึ้นตอนรับก็โกรธหาว่าท่านไม่มีสัมมาคาระ พุทสวัสดิ์อย่างไม่กลัวบาปกรรมท่านจึงย้ายไปอยู่ที่วัดบนภูเขาชีเสียซานอันเป็นสถานที่ที่ท่านเหลียวฝานไปกราบนามำสศการท่านในเวลาต่อมาและท่านก็ได้สอนให้ท่านเหลียวฝานฝึกมาหาสติปัฏฐานสี่เช่นเดียวกับท่านเมื่อท่านหานซานต้าซือไปกราบลาท่านเพื่อออกทุดงท่านให้อววาดว่า โบราณท่านเดินทุดงเพื่อมองเห็นตนเองขูดเกลาตนเองพัฒนาตนเองเพื่อความหลุดพ้นเจ้าจงสำเนียกอยู่เสมอว่าจะมีหน้ากลับมาพบพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายได้อย่างไรถ้าไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเดินทุดงโดยรองเท้าศึกสิบเปล่า เป็นการสิ้นเปลืองเงินทองของผู้ที่ถวายรองเท้าเจ้ามาท่านหารซานต้าสือประทับใจในโอวาจนสะอื้นให้ลูกศิษย์ของท่านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกทีอุบาศกอุบาสิกาฟังธรรมจากท่านเนืองแน่นท่านพูดน้อยพูดแต่ที่เป็นสาระประโยชน์แก่ผู้ฟังเสียงท่านชัดเจนกล้องกังวาล ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปท่านกลับไปยังบ้านเกิดเทศโปรดผู้คนเป็นจำนวนหมืน่นอยู่มาคืนหนึ่งเป็นคืนขึ้นห้าคำ่ำเดือนอ้ายปีพุทธศักราช 2,118 ชาวบ้านเห็นบนหลังคากุฏิที่ท่านอยู่สว่างสวยดุดไฟกำลังลุกโชดช่วงฉะนั้นครั้นรุ่งเช้าชาวบ้านพากันไปที่วัด ปรากฏว่าท่านได้ดับขันไม่ไหวติงเสียแล้วทุกคนจึงลงความเห็นว่าท่านดับขันด้วยเตโชกสิล น, นั่นเองขณะนั้นท่านอายุ75หปีพันศาห้าสิท่านหารสานตาสื่อรำพึงรำพันว่าตั้งแต่ท่านออกทุดงได้พบพระเถระมากมายแต่จะหาใครสักรูปหนึ่ง ที่ทรงคุณวิเศษเช่นท่านวินกุเทระไม่มีเลยแม้ต่อมาท่านหารซานตาซือพรรษามากขึ้นก็ไม่ลืมคําสอนของท่านแม้ปฏิปทาในศีลจารวัตของท่านก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่หลุมฝังศรีระของท่านวินกุเทระมีศิลจารึกคุณธรรมอันสูงส่งของท่านโดยท่านเหลียวฝาน ท่านหารซานต้าซือเห็นว่าควรมีประวัติของท่านไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเขียนประวัติและคำสั่งสอนของท่านไว้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเสียดายที่ผู้ด้อยปัญญาบันทึกไว้ได้เพียงเท่านี้